ตานจังกว่าเลซุนอันตรากัดฉันตุติวตาสัดธรรมมุนิราชานสุนันตุสักกมุกัดัง ปริตาณุภาวันสัทธารักขัตุนเตยปริวันนัมิตังสเมตาผัทันตาอาวิกิตจิตาปริตังปนันตุวันสกงกามิ จรุมเปย์กริศิคารัตติยัันทลิกิมวิมานีวิมเปรเทียนจะข้าเมตรวนการในกิยาวดุมีเกตมุัทานตยูจะตุล วังกมพระราชามยมราชาอินทรเวสวันราชางาริยมินตยุมโที่สัตตาวางการตจยูอัลัยสาวกันจะปุถุชนากัลยานานจะสัมมาทิฏฐิ เยาวาพุทธิม<音楽>ั萨นาธรรมเอม菩萨นาสังเขมั萨นาพุทธิอนสังครวานธรรมเอมสังครวานสังเขมสังรวาอิตุงทานตุยาวะปรํมปราณ อิมัสมิงสุจักวารีสุอิวตายังมุนิวราวจนังสารุเมีุนันตุนธรรมะสวรรคกาลูยำบรันตาง มัจวันนักลุวะยายามพัดันตาธรรมมัจวันนักลุวะยัมพัันตา กวัตุราตุสัมมาสัมพุทธสันนโมตัณสาภกวัตุราตุสัมมาสัมพุทธสันนโมตัณสาภกวัตุราตุสัมมาสัมพุทธสันนังจิวิตังยาวนิปนัง จรังก <system> ัญชามีดำมังชีวิตังยาววันิีพานังจรังกัญชามีสังหังชีวิตังยาววันิีพานังจรังกัญชามีรูติยำบิพุทังชีวิตังยาววันิีพานังจรังกัญชามิ ดิยำเป็นธรรมมังชีวิตังยาววันนีพานังสนั่งกันชามีดิยำเป็สังขังชีวิตังยาววันิีพานังสนั่งกันชามีตานติยำเป็นู้ดัง ชีวิตังยาววันิพานังเท่นังกันชามีได้ที่ยัมปทัมังชีวิตตั้งยาววนิพานังเรนังกันชามีได้ทียัมปีสังขงชีวิตตังยาววันิีพานังเท่นังกันชามี มีติปิโตหุมปกวารังสัมมาสัมพุทโธวิชานจระสัมปนูสุกโตโลกวิทุอนุตตรมปุริสัตรมสาระติสะทถะเทวมนุษยนังพุฎูปังกวานิีตวางขานตูุมปังกวานตาจมูก สันติโกะกาลิกุเอหิปสิโกะอุมปนณจิกุอันจันตังเวทิจัมูมิยูเมติปติปนุปังกัวันตุสาวกจังกูอุนจุมปติปนุวัมปังกวันตุั ทาวกระสังคุญยามปฏิปนุะควัตุสาวกกะสังกุสามีเจปนุปควัตุสากัรสังคุณญาติทั้งจันตาริปุริตายุขันธ์อัตตปุริตาปุกราอิศะวัตุสาวกกระสังค อาวในยวามปาวในวะนักกินในวะอันจลิงกระิยูอันุตรังคุณญาเณตั้งรู้การสานตินะโมเเมสสพัมพุทธานังนาวัติงสาวรังกโนุตานังกรุมหาวิโุเมตังกรา มหายาโทสระังกัลโรลูกายทนติบังกัลโรตูจินโรนโคนดันยุนชนะปามโมคมังกลโวภูริจาศพุทุมโนตุมโนติโรเทวตุรัสติวชนโนโสปิโตกุณะสัมปนวนอนุมตเสียงชนโมปตุโมโลกปปะจุตุนราตัววรสาราจิมุณสุตโรุสุเมตัวปฏิปุกุลวะ ดูจาโตต่ปรกักุพิยาตตินราตพูัตสิการณิโกธรรมดิมโนตสิตตัตวสมโลกเติสูนจรรุมบุญูปันสิจันปโมอสิกิสัมภิทวันกถาเวสุขสุขตญกุกักุสันทวันสันทาวุกุณะกมนุรนัญเจ้กัสโบ เตลิสัมปนุโคตโมอักยบุงเขวอัตวิสติเมพุทิยังวันทามิสัพาเตสัญนินาสิเลนันติเมตามปรินเจพนุอนุรากันตุอรูเเยนสุเกนาจารวิสติเมพุเตยูนารั ดราังกณฑตงกัมปานีสันตาสานิตุกติงสุนนักจติอาตวีสันติพุทธปาลีตังเยีสันตสันตจิตาติสุรนาสุรนาเหยืรู้กันตรีวะุมาบุมะจิตวาคุณักนักขนนัยาวะนปังการัง เอเตยันตุเทวาวรกณกกรรมเยเมรุราชิวัตันตัวอันโตเสตุมนิวราวัจนะโสตุมากังพระมกังสเพสุจักวเลสุยาารท่วานจะพระมุนวย่างามีกระดังคุณยยัตพสัมปติศาธตักัง กับเพทตังอนุโมทิตวะสมคสาสเนระตามมาตรายตาหูตูวอาราคาสุวิเศนสันตุศาสนาจรย์ลูจุดิปะวตุตปะทาน กาสนำเจรลวูกันจะตีวารักันทุสัปะากาติงโอนตุทุกีสัตเปริวะเรหัตโนอันนี้คาทุมนาอุตุสัตเปหิยะติปิราจะตัวจุระตัวมนุสตุอมนุสตุอากิตุวาอุดากาตัววางพิซาจะตัวพันกันตัวปันกันตัวนกคตตัวจะนาปัตตุรุกันตัว อาสะธรรมตัวตัณฑิตตัวอาสะภูริสตัวจันดาติอาสะมีกุณะกุกุระวิจิกมนิสสัพติอรัสสุครเมิงตายกระกาตตินานาปิาตุวะวานาโรกาตุวังนานาปวัตุวอรกังกันันตุ นิ e ีทานตูปัญญาตถาคตสาสาภารมิโยสาธาอุปบรมสาธาปรมาตปามิโยปัญจมาปริจเกติสูจริยาปจิมาปเวขปวักกันติชาดิอปินิกรมนังปัญทาจริยังโหติพลังเกมารวิจริยัง ขปัญญายาณปฏิเวทังนวโลกุตระทเมสัพเพปิเมภะคุณีอาหิตวเวสาลีติจุกรณ์ตีจุติยมรติปริตังกัรุนตูวอายะสมาณัฏฐิรูญญากรจิตัง ผูะเป็นตัวกวรติสตัสหาเสโซจักรวลนสุเดวตายัตานำปฏิคันหันตียันจะเวสาลียมกุเรรูขามนุสตุปิการจำผูงตันติวิธรมพยางอิปมันตรธาเบซี ปริันตตั้มปน้ำไ่ยานีพูดานสมากตานิขุมานิวายานิวันตริกสเปวพุทธานสมนาพวันตอัตตุปิสกจัตุนันปัั้งตัตมาพุทธานสุเมตเปมตั้งกรุณ มนุสย์ยาประชายนทว่านจรตัวจารันที่เยปริตัสมานีรกธรรมตายังกินชีวิตังิทวารังวัดถเกิดวยังรนังปณิตังนโนตมานติตาาถาเกิเทนะยำมีพุเตพระนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสวัสิหูตัวถยังวิราคัมาตังปณีตัง ยาติจะกาจะกินนี่สมัยตัวนาเต้นดําไม่สมัติกินเจดําไปดําเมนะนั่งปัญีตังเอเตนนสัจเจนสุวัติหูตัมยำบุราเสตัวปริวันญาเยตุจิงกมาที่มานันดริกันยมาหู สมาตินาตนสมุนนวิจันติิธัมปีมรักนังกันตังเห็นเตนจันเจสุวัติหูดูเยามุครามอันรกสัตังปัสสันตจันตารานิยุานิวนติเตตกินายัง ดูกตมกเอเตตินานมาปราีอินดามิสังเกตะตรงปัญญตังเอเตนัสจนนทุวติหตัวเยี่ยมุกรังเยมุตมณสาธเนนในกมนููตมะาสนามมิเตมปฏิปตา ธรรมตังวิไคยรัธรรมุตรานิพุติงคุณจะมาในธรรมพิตังเกยรติระต น, นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหูตูยตินดกีลโลวัฏวิงจิโตสิยาเจตุภิวาเตปิอาสัมปะกัมปิอุวะ กระูปมังจำปุริสังวรธาเมยโยริยสันจันอเวจะปัสเตอิธรรมิสังเกยรตนะันปณีตังเอตนะเจนสุวัตถิหูตูเยอริยสันจานิวิปาวยันติอัมพีรปัญเยนะเจตั ญาปิเทหุตสัพปะมาตานาเตมภวังตมะมาติยันเตอิธรรมปิสังเกยรตนะนังปณิจังเอเตนะสัจเจนสุวัติหุตุสาวัตสนาสนสมบดายาตจะยัสุธรรมาใจตามปวันตี สกายอทิตถิว mm ิ hmm mm ิตรจะสันสีลำทังว่าปิยธรรมในกินเจจะตัวปลายเย่จะวิปมุดตัจะจำพิสานาเนียปุงการตรงนี้ทำปสังเกตนั่งปัญทางเอเตนัสจินสุวัติหุ่นตูนจำปิสัว กรรมมังกรที่ผานประกกเยาวาจะอเจนวะปูโสตัตสปติชะทายาอาภวปัปปิตัปภะตตสุตายิ่รรมปิสันธิอารันตังปณิตังเอเตนะเจนะสุวติหูจูวันับบะคุเมยานามุจิตังเก อิมหานมาเตีปัจมัชมิงกิเมตตุปมะมธัมมวังอเทสเยนิพพานคามิงปรมังอิทาญาทธรมบิุเธียตนังปณิทังเอเตนสสะเจนสุวติโอตวรุวรัญยววราตุวราหลูวนุตรู ธรรมวรงระเทสเยจัมเบปุเตระันังปณีตังเอเตนะสะเจนสุวัติหูดูยีนังปุรหณังระวันัดิจัมปะวัง วิรัตจิตใจติเก็บบุญมิเตกินอภินาเอาวิรุณนิจฉันตานิพันติทิราชยธยรมปฏิปู้อิธรรมีิสังเกตรตนั่งปณิสังเอเตนะตาเจนะสุวัตติหูตู ยานิพูานสมากตานิปุมมานิวากิตรักิกศตากตังเทวมนุษยตปุตังพุทธังนามาสามสุวติหุนตยานิพูตานสมากตานิปุมมานิวามันตริกตถาคตังเทวมนุตปุยตังธรรมนามาจามสุวติหุนตัยานิพูตานสมากตานิปุมานยกิตถาตังเทวมนุษตปุยตัง สังฆนมจามมาจุวะติหูรูเมิตุจังเอกังตมะยังะกวนสัมติยมวิรติเจตวนยนาบินในกาสะอารเมอตังคูณยตรตวตาอภิกันติรติยาิกันตวนเวะรัังเจตวนันป์เจตวเยนปะกกวะเตนวังกรรมสังมีตัวะกวันตังอภิวาเทตุ เอกมันตังกิาติเอกมนตังกิตาคูสาทวตาเองกมนตังาทายะจึจพาติมูดีวมมนุสจะมังกรนยกินตยุงกังกามนาโสตา낭รยมังกรมุมัง อาเซวนาจะพาังปณิตาจะเสวนาปูชายะปูชนียังเอตมังกะระมุดมังปฏิรูปเตสวาโตจะปุเปจะกระบุญญตาอาตสัมมาปณิตจะเอตมังกะระมังอาสัจฉันจะสิปัญจ วินัยโยนจะสุติกิโตสุภาสิตานจะยาวาจามเอตัมมังอะระมุตตะมังมาตาบิตุปะตานังกุตตะระตะตังคังวะอนาคุรัจจะกัมมันตาเอตัมมังอะระมุตตะมัง นันจะดำมัจริยานจะญาตะกันนันจะสังฆัวมันว่าานิกรรมนตมังกรมุตมังอรติวิรติปปามมัจจปนานจะสัญมัวอัปมาตูจะทำเมโซธรัมกรมุตธรรมอาร จะนิวาตุจะรัณตจะกตันอยู่ตามกาลนธรรมสุวรรณีตมังกรมุตมังขันตีจะสู้วจสันตามสมานานจะทั้งตังกาลินธรรมสากัจาเอตมัง กลลมุตตมังราปุญญาบรมจริญจริยสัจานรสนังนิพพานสัจจียาจตมังกัลมุตตมังขุดรัศโลกระดมเมจิตังยัสนกรรมปตะโสกังวิรันกิมังเอตมังกัลมุตตมัง เกตาทีิสานิกด้วนนภัตปราจิตาสมระสูติงกาจันเตรันเตตังมังกระมุจมันติมหามังกระจุตังยะจานุภาวตัว อยากขันเนวะทัสสันเตปิงสนังยำมีเจวันยุนยันตุระติทิวมาตันทิตัสุขังสุปฏิสุตูนจากป่าปังกินยินาปสติเอวามาติคุณุเปตังปริตันตัมพนา กรียมตกุตเรนยันตังสันตังบทังอภิสเมจตากูจูจะตุจูวจะสัวโจจัตสมุดูอนติมานีกันตุสกุจะสุปรุญจะอัมปะกิจวจะสันลกุติสันติตรยจะนิปกูจปะกบุเลตุจะขุนทาง เจเรินเยนวิญโยปริวตยุงกินวะเกมินหุนตุสเปสตาภาวสกิตตาเยเกจีปันภูติตตัสสาวรวะนวเตตติกวเยมันตาวามจิมารัจกาอนุกตุรานทิทาวยินยาติทา เย็นจะดูเลวยวกันดีเอาไดูเรื่องตาวาสัมภเวสีวามรับไปตาตาประวันอุตุกีตาตาน้าปรุปรังนิกุเพะงาติมันเย็นตะกัดตะกินังกินจ ยาโรตนมปฏิกาัญาณญาบรนยัสตันกมิชัยมหัตญาฐานยังกุทธังอายุซาเองกัพุทธมันระเกเอวัมปิสัมพะพุตเตสุมันสัมภาวเย อปริมานังเมตังเจตปรุกัสินมานาสัมาวาเยอปริมานังอุดังอาทูจติริยัญจะสัมบดังวิรังสัพพตัง ท่านจะรังนิสินุวาสยานวนยวัตันสะวิกมิตัวเอตังสติณัติไสยพรมเมตต้องวิหารังอิธรรมุยสินจะอันประคำมติรัว นาเสนนสัมปโนกาเมีสุวินัยะเขตทางในชานรุกปัจสัยยังคุณเรียนตีิีะปตียวิจาตินังสิปมันตะคดังวิยะยันาเตติวิสังคุรังเสสันจาม ปริสยังอนาคตทำม่สำปะตันสมปทานสำปะปาในนังบพปะโสปิณิวารินติปลื้นตัณฐ์ันธ์ไม่วิลุบะเกเมตังเมตังเอระปเทเมทับยาปุเตเมเมตัง เมตังกันนะคูตมะเกจ่าป่านเกจิเมเมตังเมตังที่ผานเกจิเมจะปุกพเตหิเมเมตังเมตังบังปเตหิเมะมามงอาปาตักงตวิงสิมามังหิงสิที่ผานระกุมมาเมง ยาตุมปันโหิเซมามังหินสปุงปตวอาเปสัตาสเปปนัตเปปุดัสเเกวราอาเปพัตรานิปัสสันวะมากียร์ป่าปัมมะคัมมะอาปัมมานุปุตุวะอาปัะมานุธรรมุอาปัะมานุสังโปัมมานวันตานิ อนอมวิจิกสนปตนนาบิสรุตรติกาตามีรักขังกตามปริตังติกมันภูตานิทวงนโมพกวาตุนโมสัตตนังสัมมาธรรมปุธาน วัดที่สมนั้นได้ปรามสันตัวาสาวมาตึงตะคังสีนางทุเกณฑ์นภุสัดสุปฏิสัญญารหัสนาจะโชสัมภิโมจโรปอนเลนวิโตวิยาติโตปิสันตุกาสวริมังนัตุใจ เจี๊ยมังนาควเรนนาจังมามังวเนะปารมีคาคาชุนเตียเรนตัมปทีิสัมภเรนนิปตังอริโยนยังเยนาจังวิตารกังมหาสัตัง วันนี้จราบิรักสังวัยมันตาปีนิวาสิทิ้สุขันธิตุงพระมันตันเตียคาตังปริตันตัมปนามาฮีอดีตยันจะกลมาเอกราชาริสุนว บาระวิปปาโซตังดังมารสามีรสวรรณังปะวิปปาสังทะยัจะคูตาวิราเรมุิวาสังเยมปะมนาเว้นตะกุสะปะระเมเตมินโมเตจมังปะฮรียนปมาตุุรนังมาตุปโฎียโมวิมุตตนังนโมวิมุตติยา มังตปริตังกัตัวมูรุยารติเอตนาเป็นกุมาเอกราชาลิทวนาบริตตังตังมัสยาิทวนงรวิบังตะกุตังกวรัมลติเงมรณาเมตกุตาปะเมตมตโมเตจะมังปาริมาทุบุณมาทุบุณมูลมูนิมุตโตปริตังกัตตัวมูรุารติ สันเกามิสัตยเกียริยมันสันติปะคาปนนาสันติปัตตาห์อาโมจนะมัตตาปิตาเจนิกันตาชาตเวตาปทิกรมะตาจเจกเตมายังมาปจริโตสิกีวัดเชสิโสรสาคริสานิวตักังปัตัวยะธาสิกีสะเจนเมสมุนิเอสาเมสสะจปารมีติเอวเมตุตังเอกังตมยังบกวา ราจเกวรติเวเนกันตนิเปตนโคปณะเยนาจสมามหากระโปภิริคหจังเวรติอาปาติโกตุกิโตพัลหาคิลานูอาเรโขมะกวะทายานัสมัญย์ปฏิสันนูติโตเยนาสมามหากระโปเดนสังนภูสังกามีตัวปัญญาเตอาสนีนิสติ นิสัจญาคุมปะกวาญาติมารังหากัสสปังเอตระวูจามกาจิเตงกาจปากรรเนิยังกาจิกรรเนิยังกาจิทุขามเวนธนาปฏิกรรมโนอาภิกรรมเตภะกรรมฐานังปัญญายาเตนูอาภิกรรมเต นั่มบันเดกมียังนยาปียังพน้าดก้าเวทนาอภิกมันติโน่ปฏิกมันเดีภิคุณานังปัญญาตโน่ปิกรมโตลัทธิเมกัตตาปูจังกาิยามนกกตาปวิตาปุริกัตาปัญญามโภดตวตัตีันจเต วิติสัมมุจังโกโกกัสปามยสมมนตกัตโภวิโตปุรุกโตอัมพญญายสัมรนิพพานสังหัตติอัมมวิเชยสัมมุจจังโกโกกัสะามหาสมุกันิภวิโตปุรกัสโตปัญญายสัมโพรนิพานให้สังวัตติวิยสัมมุระโกโกัสสมยสมนตกัตโภวิโตปุรุกโตปญญาอัมพุนิพานสังวัตติ ปิติสัมูจังโกโคกสปามยาธรรมรกกาโต้วีโตปริกาโตปิญญาสัมภูรณิพายสังวัตติวัจจติสัมภูจังโกโคกัสปามายาธรรรักกาโต้ปวีโตปริกาโต้ปิญญาสัมภูรณิพายสังวัตติมาติสัมภูจังโกคกัสปา มยาสัมมันระงตุพาวิโตปุริกาโตปิญญาสัมปวรณิพานสังวัตติภูเบคาสัมโพชังผูโขกันสปามายาสัมมันรังคตุพาวิโตปุริกาโตอาปิญญาสัมปวรณิพานสังวัตติอิเมโกกัสปาสัตสัพูชังคามยาสมมันักการตามพาวิตาปริกตาิญญาสัมปรณิพานสังวตตัง ข้ามพะกวผูชังคาตังการสุขสามผูชังคาอันติอิตมะูจำพะกวนอัตมโนอาสมามหากตรู้กวโตอาิตั้งพินันติอุไรจาสมามหากตูธรมมะอาปาทาธารไปนุสยิสมมโต มากะสสู่ว่าพาถูอโหตตเอวเมตุตังเอกังตมมยามกกวานราชกษัตวิรติเวรุนีกัลักนิพาเปเตนะโกอนสมเยรสมาหมากัโนกิจกุเตปปะปเตวิรติอาปติโกทุโตอนาิลานุ อาตะกุวะพังกวะสายนสมยังปฏิสนุุติโตเยนัสมามหามุกรณนเตนปะสังมีปะสังมีสุวปัญติหาเสนนิสตินิสัจโทพกวะอายุสมานตงมามุกรณนังเอตระอุจาจิเตมุกรณนมณียัง กัจจียาปนิยังกัจจิตุขาวิธนาปติกรมันติโนอาิกมันเตติกัตมูลศาสนาปัญญาญาติโนอภิกรรมุเตละเมพบัเตกมัียงลยาปนิยังพาณาเมตุขาวทนาภิกมันติโนปฏิกรมันเตอภิกรรมุศาสนง ปัญญาตหนูเปรนสมุทิจติมมุคราณมัจจังกามียาธรมระกตาปวิตาปริกตาอภิญญาญตัมภูธาญาณิปานายสังวัตติกัจจมีสตาสติสัมปูจังปูสติสังกูมุคราณมยารมรกตาโปวิตโตปปริกโตอภญญาญตัมภูเรนิปานสังวัตต อรรมวิจิตตัวจังโคโกมกรันมุญาตมรกโตภวาวิโตปรือปิญญาญสัมปูตานิพายสังวัตติวิยาตมุจังโคโกมกรันมุญาอมรดกตโตภาวิโตปรือโตัปิญญาญสัมปูตานิพานญาสังวัตติปีเตสัมปูจังโค ผู้มูกัะรานมยาธรรมรักโตภวิตตปริกตัวปิญญาสัมโพไดนิพายสังวัตติัตติสัมโพจังผูวมูกระนมยาธรรมรักตภวิตตปริกตัปิญญาสัมโพนิพาสังวัตติธรรมันติสัมโพจังผู้ โอโมคลานัมยาธรรมรักาตัวพาวิโตบริกาตัวปิญญาสัมภูรนิพายสังวตติปิฆาสัมภูจังกูโมโอโมคลาัมยาอรรมรกาตัพาวิโตภริกาตอภิญญาสัมภูทายนิพานายสังวัตติ อิเมโคมุกรานสัตตสุจังคังมยาสัมมาการตามความวิตามบุรีกต้าอภิญญาอิสัมโบดานบาลังวัตันตีตีดกปบกกว่าผู้จังกาตากาตุกตะผู้จังพาติอิตมะวุจาระกว่า อาตมโนอาจะสมามามมกันลนโนปกโตไปตั้งปินันทุงมุทะย์จายธรรมมาโมกันลานโนตมาปาปาทานตถาไปนัวะสมตุมามมกนสูอาาตุอาหสี เอวเมตุตังเอคังสมยังมะกวานราชเก็ติรุนเอรนการนิพานเตนโกปนัดมิเยปขกวาอาบัุโพธทุโพพันกิลานนอาเโกอจสมัยมาจุนโตสายมะยังปฏิสันานาวุติตูเยนนาปขกวานเตนุปสังก็มีปสังก็มีตัว ขางกัมวันังอภิวาตัว็มันตนสิติเอ็มันตันิสขอยตมันตังมาจุนรกวาอตสจารปฏิมัน a ังจุงการเด กะตมเม่พันไดโพจังกาปะกุมวตาตมรักาตาปาวิตาปริกกาตาปิญญาญาสัมปูรัญญาสังวัตติกระตเม่สตากะติสัมปะจังกูกูปันเตปะกุมวตาตมะรักการตุปาวิตตปวริกตุปิญญาญาสัมปูนิพานายสังวตติธรรมโอเสบจังกูกปันเตปะกุวตาตมรกตุปะวิตตปริกตะปิญญาญาสัมธูริญญาสังวัตติ วิยสัมุจโกกุมปันเตปุวตากรรมรกโตภวิโตบริกโตอินญยสัมูทายนิพานายสังวัตเตปินที่สัมปูชังูผู้ันเตบว่นสมติกาโตภาวิโตบริกโตอภิญญยสัมปูนิพานายสังวัตเตปจัน พันเตมงกรวตาสัมมรกัตัวภาวิตตัวมิโตอภินญาสัมโพรนิพายสังวตติสมาิมุตังโโนจควสักรตัิตตุภาิกโตัินญยญสัมพวนิพาสังวัตติอุเปขาสัมโูชังโกคพันเตมังกวตา สัมมทคาตวภาวิโตบริกโตัปิญญาสัมภูายะนิพนายสังวัตติอิเมโพันเตจัตภูชังค่าบกุตานสัมมทคาตาภวิตาริกตาิญญา ทายนิพพานสังวัตตตีตกาจุนาพุชังคารกจุนระพุจังาตีอิทมวุยัสมามาจุนโทมันยาอโหสิตีมุตจา ว่าตัมมาพาธาต้าปิยนูจท้าภักกวัตุสูอาพาตวอาหูตีอดี สเนนาราซาศาสเนสาทุสัมัติอามุนเสจันเดสถานกิปิรสการิปิบริษานันจะตสันนัมหินตายาจกุติยะยันเบเตติมาวิรวปบริตันตมพนาม วิปัสิตมตุจักมัณฑะสตมตุสกิสเป็นมตุซาบปุถานกัมปิโนะเวสปุตบาทุนาตะกาสุปัมตุกัตุันมารเซนบุญโกนะนมณสมัตุพรเมณสมุสีมตู่าสปัตมตุวิปมุตสสปติอังเกลมัตุสาเกปุานสริมตูโยมังธรรมเทเสสสัพปุฆามปนุรนัง เยจ่าปินิพุตตาโลเกตาพุตังนิพพสิสุเตเจนาปิสุนามหันตาวิสารทาอิตังเทวมนุษยนางยังนัมัสสิกูตมงมิชาจรณะสัมปันังมหันต์วิสารธาเอเตจันเยจธรรพุทธา อเนกัตตกลสเปปุถานสมตมาสเปปุถามิติกาอเปตตารุเปทาวสาระเทวะกตาอเปเปฏิชาณติอาสพันธานมุตมมังสีนาดังนาตันเตเตปริสาสุวิสารธารัมมะจักังปวัตเตนติโลเกอปฏิวัติยังเปตาปุระสมเมทารินายกาวัติง รกินเบตาสิรยานกยัญชนาระปายามะปภาญสุภภาคเปตมุนิคุญชราอุทานสะพันยุโนเอเตสะเพกินาตวัชินามปภามาเตชามาปัญญามะปรามาการนิกาติรา อาเปสานังทุกข์ามาปานาปัิธาเจตานาเลนะจนินากติปันุมาาสัจธรรมาเจหิเศนุวะตววักสโรกัสสเปเทปยยนาเทจางิรสาปเทวันธามิครุสตไม่โวจสามมสาเจวะ วันทามิติตถาคตยะใเนยตนีตนกมณีจามิสปตานราเกณรกันพุภาตันติกราตุวังเตะวังรักิโตสันโตะมุตโตจะทัพพะเยนะจะทรัพรูกวินิมุตโตะจะบันตามะวจีโตะจเวรมติกันโตนิพุโตจะดวงปวะเตสังสัจเนะสิเรนะ ปันติเมตามบรินาจาเตปทุเมอุราคันตัวรู้แเยนนสุเกนจาภูรติมัตสมิงติสาภาเกสันติภูตามมหิติกาเตปทุเมอานุราคันตัวรู้แกเยนนสุเกนจานักินาสมิงติสาภาเกสันนิเทวะมหติกาเตปทุเม อันุราคันดุอรูกาเยนนสุเกนณจามปัจจมิสมิงติสาภะเกสันตินาคาไม่ติการเอพิทุเมอนุรักษันตุอรูกาเย็นสุเกณจามปัจจามิสมิงติสาภาเกสันติยาคาไม่ติการเอพิทุเม อนรักันตวรูเกเย็นนสุเกนจาพุระติมาติสังทัตระทูวะนาคินเนนวิรุณากูวะบัจิเมนวิรูปะกูบวอโรตรังติสังจัตรเตมาราชาลูกระร้าศาสนโนเตปิทุเมนรักกันตวรูเก่เย็นนสุเกนจา อากาสันตาจะภูมิธาทีวานาคาไม่ติการเตเปตุเมนรคันตุงอรูแคเยนตุเกนจาจนตทิเมสรนั่งเงินยังพุโตเมสรนั่งวรังเอเตนาสัจมาหูตุเตใจยัมังกลังนาติเมสรนังเงินยัง นำโมเมย์สนังวรังเอเตนะตวหตุเตจยมังรังนติเมสังอัยังสังคูเมย์ังวรังเอเตนะตะจวหตุเตจยามังกรังยังกินจิรันนังโลเกวิจเตวิวิหังอุตุรสนัง มุตตสมังนติตัสมาโตทีพวันุเตยยังกินจิรัตะนังโลเกวิจเตวิวิทังพุทุระตะนังธรรมะสมังนตนนิตัสมาโตทีพวันตุเตยยังกินจิรตนังโลเกวิจเตวิวิทังพุทุรัตะนังธรรมะสมังนติตัสมา ตูที่พวันตรเติอธิอุนาสวาจยโยตมโลเกอนุตโรสัพสัตตาตตาญาตังตุณฆนัยเทวเตมปริวัติราชาันเดมนุสเสพภเกปิจเกนาเกวิเศพุเตยกัลรมเรสสัพสมามุรนัมตัวทเปตุวาการมเรตัง ต so th like ัเสวันภาเวนังตุเตวตุขีสตาตุทาศีลังสมาตยธรรมังสุจริตังจรเรตเสวานภาเวนังตุเตวตุขีสตาตทศีลังสมาตญธรรมังตุจริตังจรเรตเสวอนภาเวนังตุเตวุขีสตาตุทาศีลังสมาตยธรรมังจังจรเตเสวนูตุเตวลีังจินตีตัง ผู้ังธาตุนังวัจนังกรุงพระสังเทสนังสุตุวันตาสาอนุปวัตติสกตวาพุทธรัตนาโอสทางอุตมังวรางีตังเวมนุสานังพุทธเตนสุนัาบัทุขาอูปสมตุเต รักตารตัวทำมรตนางโอสถันอุตมังวรังปลงปตมนังตมเตชนาสตินาณัตปัตตวสเปปยาวูปตเมนตุเตรกกตัวสังฆรตนาโอสถังอุตมังวรังนในยังป่าในยังสังเตเีนาโ ที่นามนาสันตุปตะวานตะเพโูค้าวุ่มปตะเมนตุเตเพศจั่งเทพมนุษย์นั่งกตุการกิติการสังอัมพุรังรวัจเจศปปยาทวินาสันตัวอห่งกตวิจติปัญญชาตถายาวรตุการวินาสันตัชีวิตนั่งกันตุเตะชีวิตนังกระทันนาซายุวรรังทุขังบรังชีวิตนานั่ง ยโยตัตวาโอตัตังตมงหรังเสรีลังทุกังนาเตติเปสจังนานมุตตมังสัตมากรายะกัญญาณังนิจยังสัมปรายนังปุญญานิปะโนกัสสมิงกัสติธาติปานินางอิมีนาชีวิตันเฮนตุมากรังกิงภวิสติตีกาอยู่กากระทำุกิจังดุสปชนาโยนั้นกระจังสิรวันเตตัสุ ग, นั่งรังตนนมะปรางเอวังไมยติกายสักนำสัมปทาตัสมาธิราปังสันติปัญตากตาปุญญตันติอจิวณัสสันวิจิวุติตุกับพินติวุวิวาชันตุสัปรูควินัสต มานเต็มภาวะตวันตรายตุกีติมกายุกงภวอภิวานธเณีลิสนิจังอาวุธธรมปัญญาอินุจตารูธรรมวันฐิอายุวณูทุขัง่า มาเป็นดิมิตาสาบุตรังคริเมกรางอุติตโกรตเตนมารังฆานาจตมวิจนาจิตวามุนินโตนันเตสาบุตรเตชิมุกรานีมาราติเลกมวิสุทธกุปุระโกรํปนณลวกมังคุงสันตีสันตวิจนาจิตวามุนินโทนันเตสาบุตรเตนาราคิลิงชวรังที่มัตสุตัง อาวักิจาคมตนิสุทารุนันตังเมตัมเวิตินาจิตวามิตตันเตสาบเตจมัอุตามตังตังงทาวันติยกรกุลิวันนิสังจิตวามุนินโตันเตวเตจิมงก라นรวนกตรัอวคบปยาจินใจตุตวังกระตุ้นจิตันเตสุมาจิตวามตันเตสุมจังวิหายมติสัจจกวาเกตุง วาตาปิโลปยนาตมปัญญาปิิันเตสเตเจมังกรานีนันโดวนันบุกังพุทังมาจิติบุเตระเทรมมมาปยัตอิทูปเทตวิตนาจิตวามนิโตกันเตสวบูบเตเจมังาทิเตุจเกนะสุตาตังมสุติุติันยานาเตนวิตนาจิตวามนิโตกันเตจสะบูบูเตเจ เตาบิภเจเจมังกรอัตกาตายูวาชนโนตินาตินีตรเตมันติีิตวันเนวิธานิจุทวาพิโมังุังกิตตไมนารตปัญยมหากรุนิโกนาโทอตายะสัพปานนนางตูเลตุวาปารมีอบามปโตอัมพติมุตมังเอเตนะสัจวะจินาุเตจมังกรัง จิยันโตโคติยามุเลสิยานังนั้นทวันตนน้อยว่งวังวิเชโยหูเอเจยสุชายมังเรเราราจิตปัญลังเกสีเสมสเสรักเรศพิสเกสัพพุทธนังกัปโตปโมตติสุนักตังทมังกรังทุปะรงุนโโมโตจุยตังพรมจาริทุปตะกินังกายกัมมังจาปตกินะนกมัง ปณิทิเตปะกินาปะกินานิกาตัวนรัปันตเตปะทักินเนทุกขปะตาเจนิทุกขพยพยัมปะตาจะนิพยายาสกับปะตาเจนิสุกานโหนตุสเพปิปันนวเอตาวตาจามิสัมปะทังกุญญาสัมปะทังอะปเจวานโมตุสัมปติสติยา อาทาตันตุตทายาทีลังรักขันตุสัพพธาปาวนาบิรตาหุนตุขัดจันตุเทวตากตาพระเพพุทธาปรับประตามประเจกนั้นจะยังพลังราันตานันตะเตชินารักขังพันธามีสัพพสุปาวาตุสัพมังค์รังรักขันตุสัพพเทวตา พระปุถานพระเวนัสธาุตีพนโพธุรักสุพจนสัพธรจมวิสตาตตีนพธิุสัพมังกรังหลักันุสัพเทวตาประสังฆานภาุสตาสุตีพะวันปุเตอายุวัตรโกวัตะโกติริวัตรโกยัตจะวตโกปวัตรโกวันวัตโกตุวตโกโหตุสัพทาดุกรูปกายเวราสกสวันเนกาตรายปิวินาสารตุจตเจชะา เจยสิติตนังลาบังตุทีปกยังสุขังครังสิริอายุจะวันนูจะผู้ังพุทธิเจยสวัสตะวัสายายุจะจิวสิตีก็วันกุเตนูมพุทธานังอุปาทัวสุขาจะตัมมเทศนาสุขาสังคัสสมะเกตเดมะกันตโปทุกโขกติยตโตจะเนสัตมิเ โคตรปัญชาณีนุวะวิชาจรณะสมปนุวโสเสโทเทมนุเตโสทิวัตปติทิจุต์ิมาปฏิจันทิมาสนโตัวปฏิโยตปฏิจเยตปฏิปรมุรุสัลโลขยาปรมาลาบานตุทียปรมังทนังวิสาสา ปรมาารย์ตีปานุปรัง <Pan> สุขัง